แต่ในตัวเหี่ยวแห้งนี่มันมีความสดใสยอยู่ในตัวนี่ส่วนร่างกายและส่วนจิตใจอะจิตใ จ, จที่เศร้าหมองไม่ผ่องใสเห็นได้ชัดเจนมากและดูคนที่ทำงานเลยทําทำงานทำแบบไม่สดใสสดชื่นเนี่ยก็เรียกว่าทางานแบบไม่มีชีวิตชีวาเพราะนั้นความสดใสของจิตใจนั้น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 อยากดูแล้วก็ได้ดูอันนี้คือความสุขอยากฟังแล้วก็ได้ฟังก็มีความสุขถ้าเกิดความอยากเราไม่ได้สมตามแต่อยากเนี่ยเอาละทุกเกิดขึ้นแหละพ่อบ้านชอบดูฟุตบอลถ้าได้ดูฟุตบอลแล้วก็โอ้เนี่มีความสุขแม่บ้านชอบดูละครถ้าได้ดูละครแล้วมีความสุขลูกหลานชอบเล่นเกมได้เกมก็มีความสุขขคอนสูตรแบบนี้แลกกันไม่ได้หรอกแต่ละคน ไม่ตามแบบกันพ่อบ้านชอบฟังข่าวแม่บ้านชอบฟังทำลูกชอบฟังเพลงบาที่สลับความสุขกันไม่ได้นะมันไม่เหมือนกับว่าความสุขเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ต้องมีตัวตันหาขึ้นก่อนพอเริ่มจากความอยากถ้าไม่อยากดูมันมันจะเซ็เงมีความคิดแบบ น, นั้นไหมอันนี้มันหมดอยากแล้วมันมันคงชิดมันคงจะเซ็งมันเริ่มต้นจากความอยาก อยากอะไรก็ได้อยากดูอยากฟังอยากดมอยากกินอยากสะพัดอย่างเริ่มจากความอยากพออยากแล้วก็ได้ทำตามใจที่อยากและก็มีความสุขถ้าทำสำเร็จนะถ้าเกิดความอยากทำตามความอยากไม่ได้มันก็จะไม่สาเร็จมันก็มีความทุกข์อม่เหมือนกับคนที่มีมีโรคขันประจำตัวสมมติว่าโรค ก, กลาก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 แต่พอพิการแล้วฟังเพลงเก่าไม่เพาะซะแล้วอาหารที่อร่อยอร่อยที่ชอบทานคุณพ่อคุณแม่ยาตดีน้องโอนโหผมเคยชอบอ่านแบบนี้นะจอปลาดุกย่างน้ำปลาพริกบีบมะนาวแล้วก็ข้าวร้อนโอ้ทานมีรสชาติมากแต่พอร่างกายพิการแล้วเขาก็หาแบบนี้ให้เหมือนกันปลาดุกย่างแล้วหนังมาเนี่ยโหมัน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 รักษาแพทย์ทางเลือกรักษาแพทย์แผนปัจจุบันทุกแพทย์ไม่สามารถจะช่วยกายเราได้แล้วก็เลยลองมาช่วยจิตใจดูซิไม่เข้าใจเรื่องจิตใจแต่ที่เริ่มเข้าใจเพราะว่าศึกษาธรรมะนี่นะเริ่มสนใจธรรมะอ่านหนังสือฟังธรรมเป็นการกล่อมกลาวจิตใจในช่วงที่เรามาสนใจกับธรรมะเนี่ยเราลืมกายไปช่วขณะหนึ่ง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 ย่อมมีความไม่เจ็บไม่ตายเหมือนกันนะเอ้ะมันก็แปลกแล้วก็มีทุกมันย่อมไม่ทุกมีได้เหมือนกันสนใจคํานี้มากแต่ว่าไม่รู้มันจะแก้กันได้ ย, ไนะยังไงนะเราก็จะนึกว่าเอ้นมันมีเดินไม่ได้มันต้องมีเดินได้เหมือนกันเนก็คิดเลือเ่อยเปลื่ยไปแต่ต้องปฏิบัติเนี่ยต้องการที่ต้องปฏิบัติต้องพิสูจน์มันจ ะ, จะมีขึ้นในมือในตัวเราตั้งแต่ระดับนนมาเนี่ยพอสอบกมาห้ารอยสาสิบป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 ไปที่วัดหรือไปแต่งชุดข า, ขาวๆหรือไปทำพิธีที่ไหนหรอกอยู่ที่บ้านก็ทำอย่างเดียวผมทำอย่างเดียวแนละ้วปฏิบัติธรรมเนี่ยทำความรู้สึกตัวทำอย่างเดียวทำความรู้สึกตัวอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเครื่องมือปฏิบัติธรรมนี่มีอย่างเดียวคือรู้สึกตัวนั่นใช้ชีวิตแบบรู้สึกตัวตั้งแต่เช้าก็ทั้งหลับไป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 เอาเตียงเน่ยเป็นวัดเอาเตียงเป็นวัดเอาจิตใจเนี่ยเป็นผู้บวชเลยใช้ชีวิตตัดเจ้าอย่างนข้ามแบบรู้สึกตัวอยู่กับตัวเราเนี่ยทําอยู่งี้แหละก่อนนอนก็รู้สึกตัวแล้วก็หลับไปบางทีเหมือนทําท่าจะตายหลับตาเหมือนคนจะตายแล้วก็หลับไปอย่างมีสติเลยก็ถ้าเราตายไปวันหนึ่งตื่นเช้าก็มาเอ้าวเราเกิดใหม่รู้สึกตัวใหม่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 ที่ผู้ที่ไม่เข้าถึงเพราะวาเนี่ยจะเข้าใจง่ายแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่ทาให้เราเข้าใจไ ด, ได้ผมยังสามารถเก็บความสุขแบบปกินหากากสุขในแต่ละวันได้เลยนะปะกินหากากสุขของผมนี่ก็คือการช่วยตัวเองสภาพอย่างผมนี่มันใช้ชีวิแบบต้องอาศัยผู้อื่นไปช่วยเหลื อ, อทุกคนต้องมาคอยช่วยเหลือผมที่อยู่ใกล้ๆตัวเนี่ย ช่วยหลายอย่างเพราะผมมีความสามารถแค่เคลื่อนไหวได้บริเวณเนี้ยแล้วก็สี่สัตว์ไอ้ส่วล่างนี่จะไม่รู้สึกขับถ่ายก็ไม่รู้สึกจะพลิกตัวทางซ้ายทางขวาก็ต้องมีคนช่วยแต่เราพยายามที่จะช่วยตัวเองว่างบ้างก็คิดในระหว่างคิดนี่ก็รู้สึกตัวนะอ๋อจิตมันคิดนะแต่บางทีเราต้องใช้ความคิดคิดด้วยสติคิดแก้ปัญหาตัวเอง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 บางอย่างทํายากมากเห็นว่าเราต้องการจะเคลื่อนตัวเองเพื่อจะไปทําอะไรข้างนอกเตียงนะแต่มันคงทําไม่ได้หรอกแต่มันน่าลองเวลามีคนมาดูแลแ ล, แล้วก็ไม่ทํานอนเฉ ย, เ, ยเวลาเข้ามาอยู่เนี่ยโอย๋ตอนที่ไม่มีคนอยู่เนี่ยมันพิสูจน์ตัวเองได้ดีมากเลยทําในสิ่งที่เราคิดว่าทําไม่ได้ลองทําดูคลานไปเปิดพัดลมก็มีนะโอ้ขาไปเนี่ย หมายปลายแบบมั่นใจว่าไปได้แน่คลานไปสักสามเมตรไปเปิดพัดลมเปิดพัดลมปับ๊บโอเย็นสบายขากลับมันกลับไม่ได้มันกลับไม่ได้มันต้องรอสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยเลื้อยกลับมาคลานกลับมาแลวเนี่ยมันมีความสุขมากที่ว่าถ้าเราเจออุปสรรคบางอย่างเราจะเริ่มทอแท้นะแต่ลองฝืนสักหน่อยฝืน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 เดิมๆ เ, เก่าๆนี่มันดีอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วเพียงแต่เรามีสติรักษาเอาไว้เถิดอารมณ์ที่จอนมาเนี่ยคือส่วนเกินเราจะใช้มันก็ได้เราไม่ใช้มันก็ได้เพราะฉะนั้นเพียงแต่เราขจัดความทุกข์ความเศร้าสิ่งที่หมักหมมในจิตใจนั้นออกไปจากใจเราใช้ได้ใจเราก็มีความสุขแล้วเป็นสุขแบบสงบเย็นนะเป็นสุขแบบ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 แล ใ, ใจนี่มันรักษายากกว่าแผลไก่นะฮาสซอนรักษายากกว่าเบสต์อนะกินลึกบางทีข้ามวันกรอดข้ามวันรักข้ามวันหลงข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีข้ามพบข้ามชามันรักษายากความรักบางอย่างเนี่บางทีมันเกาะกินลึกมากเลิกกันไปแล้วยังกลับมาคิดอีกความโกรธ ก, ก็เหมือนกัน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 ประสบแต่ความสุขเป็นความสุขที่สงบเย็นนะเป็นความสุขที่ไม่ต้องเกาเพราะมันหายคันแล้วความคันคือตัณหารักษาโดยการจัดตัณหาไปจิตใจซะมันก็ไม่ต้องเกาไม่ต้องทําตามตัณหามันก็มีความสุขได้พันธะที่ทำท่านผู้ฟังนักทําใจให้มีความสุข